ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสร้างสาระที่เพึ่งให้แก่ใจสระนที่พวกเรารู้จักกันที่เรากล่าวถึงกันเช่นพุทธังสรณนางกะชามิธํามังสรณนางกะชามิและสามังสรณนางกะชามิตอนนี้ ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราเพราะว่ายัางไม่ได้อยู่ในใจของเราตอนนี้เป็นเหมือนกับป้ายโฆษณาสินค้าที่เราเห็นตามทองถนนแต่ยังไม่ได้เป็นสินค้าตัวสินค้าตัวสินค้านี้ต้องเกิดจากการที่เราไปที่ร้านที่ขายสินค้าหล่านี้แล้วซื้อมา เอามาเป็นสมบัติของเราเราถึงจะได้สินค้านั้นมาการเห็นป้ายโฆษณาสินค้ายังไม่ได้หมายความว่าเรามีสินค้านั้นแล้วฉันใดพระพุทธ ร, รูปที่เรากราบไหว้บูชาตามสถานที่ต่างๆก็ดีพระธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านที่ได้ถูกจารึก จะริกว่าจาเลกไว้ในพระไตรปิฎกในหนังสือยังไม่ได้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเช่นเดียวกับพระอริยรสงสาวกพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราไปกราบไหวบูชาอยู่อย่างสม่ำเสมอท่านเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เป็นสารณะที่พึ่งที่แท้จริงของเราเพราะ ใจของเราหนี้ถึงแม้ว่าจะมีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านหรือห้อยขอเอาไว้มีพระธรรมคำสอนไว้อ่านไว้ฟังมีครูบาอาจารย์พระอริยสงสาวกไว้กราบไหว้บูชาแต่ความทุกข์ในใจของเรานี้ก็ยังมีอยู่เรายังไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ เช่นความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวกลัวอะไรกลัวความแก่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายกลัวการพลาดพราดจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบแสดงว่าเรายังไม่มีสาระไม่มี พ, พ, พระพุทธพธรรมระสง์อยู่ในใจของเราถ้าลรามีแล้วความกลัวต่างๆเหล่านี้ จะหายไปหมดนี่แหละคือสรณะที่แท้จริงเมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราแล้ ว, ลวเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรเลยเพราะหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจก็ทําหน้าที่ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรา ให้หมดสิ้นไปนั่นเองเราจึงมีที่พึ่งมีสรณะดังนั้นถ้าเรายังต้องอาศัยสลาณะภายนอกเช่อนอาศัยพระพุทธรูปไวยห้อยคอหรือไว้ประดับไว้ตามในบ้านของเราเพื่อปกป้องภัยต่างๆแสดงว่าเรายังไม่มีพระพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งของเรา เพราะพุทธรูปที่เราห้อยคอหรือพระพุทธรูปที่เราติดตั้งไว้ในบ้านของเรานี้ไม่สามารถป้องกันไฟต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองขโมยยังขึ้นบ้านย้ายอยู่ไฟยังไหม้บ้านได้อยู่น้ำยังท่วมบ้านได้อยู่ลมพายุยังพัดให้บ้านพังทลายได้อยู่แม้แต่องค์พระพุทธรูปเองก็ยังถูก พายุทำลายได้ถูกขโมยตัดเศียนไปขายได้เพราะท่านไม่ได้เป็นสระนนั่นเองท่านเป็นเพียงป้ายโฆษณาสระนคือสินค้าสระนที่แท้จริงหรือสินค้าที่แท้จริงนี้ต้องเกิดจากการที่เรานำเอาเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการศึกษาพราะธรรมคำสอน แล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนบรรลุปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาปรากฏมีธรรมะขึ้นมาภายในใจพอมีธรรมะขึ้นมาภายในใจก็จะเห็นพระพุทธแล้วก็จะเห็นพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าทรงจัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็คือ ชื่อของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์เองว่าตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่เห็นตถาคตและเห็นธรรมก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองผู้มีดวงตาเห็นธรรมผู้ปฏิผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบถึงพอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้ว ความกลัวต่างๆก็จะถูกทำลายไปหมดเพราะความกลัวนี้เกิดจากความหลงความมืดบอดความไม่รู้จริงพารู้จริงแล้วก็จะหายกลัวรู้อะไรที่รู้จริงก็รู้ว่ามีการเกิดย่อมมีการดับเป็นธรรมดาและสิ่งที่เกิดที่ดับนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา เช่นร่างกายของเรานี้เป็นต้นมีการเกิดแล้วย่อมมีการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟด้วยการผสมธาตุของพ่อของแม่แล้วก็จเจริญเติบโตในท้องแม่ด้วยธาตุที่แม่เอาเข้าไปเสริมคืออาหารต่างๆ อาหารต่างๆนี้ก็มาจากธาตุมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมไปถึงลมหายใจที่แม่หายใจเข้าออกน้ำที่แม่ดื่มเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วก็เอาไปหล่อเลี้ยงไปเสริมสร้างธาตุที่ผสมกันอยู่ให้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นทารกในครรภ์ แล้วพอเจริญเต็มที่ก็คลอดออกมาจากนั้นก็ต้องหายใจเองเอาลมเข้าไปเองเดือน้ําเองเอาธาตุสีเข้าไปเองด้วยการรับประทานอาหารชนิดต่างๆในเบื้องต้นก็รับประทานอาหารละเอียดคือนมที่มีธาตุต่างๆอยู่ในน้ํำนมนั้นผสมกับน้ำํำร่างกายก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมา อวัยวะต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็ดกระดูดเยื่อในกระดูดม้ามหัวใจตับทั้งถืนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อ น้ำมูดนี่ก็คืออาการส2ที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของเราที่ได้มาจากอาหารที่รับประทานที่มาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟดังนั้นถ้าวิเคราะห์พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีเพียงอาการส2สอง มีเพียงธาตุสี่คือดินน้าลุมไฟไม่มีตัวเราไม่ใช่เป็นของเราคำว่าตัวเราของเหล่านี้ออกมาจากความหลงของใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ใจนี้เป็นเจ้าของเป็นเหมือนเจ้านายร่างกายนี้เป็นบ่าวเป็นลูกน้องร่างกายจะทําอะไรได้ ต้องได้รับคำสั่งจากใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายนี้เดินไปเดินมาให้รับประทานให้ดื่ม น, น้ำให้อาบน้ำขับถ่าให้ขับถ่ายสิ่งปฏิกูลที่มีอยู่ในร่างกายให้ออกไปถ้าไม่มีใจมาเป็นผู้สั่งการร่างกายนี้ก็จะต้องอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆจะไม่สามารถทำอะไรได้ แล้วก็จะไม่สามารถรักษาให้เป็นอยู่เหมือนเดิมได้คือร่างกายก็จะเย็นลงไปต่อไปน้ําก็จะไหลออกมาน้ําเลือดน้ําหนองต่างๆก็จะไหลออกมาจนเหลือแต่หนังกระดูกที่เหี่ยวแห้งแล้วก็จะกลายเป็นดินไปในที่สุดเพราะนี่คือ ธรรมชาติของร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราผู้ที่ศึกษาก็าทำคำสอนแล้วนําเอามาเจริญเอามาปฏิบัติเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ ต้องตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เมื่อพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่หลงก็จะรู้อย่างแน่นอนว่าก่อนมาแล้วต้องตายแน่ๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะตัดความหลงตัดความอยากที่อยากจะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปได้ พอตัดความหลงได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหรือความกลัวก็จะหายไปจะไม่กลัวความแก่จะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่กลัวความตายเพราะรู้ว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ใจใจเป็นผู้พิจารณา ร่างกายอันนี้แต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้รู้เพียงแต่ว่ารู้ไม่จริงถูกกิเลสอวิชชาหลอกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นตัวเราหลอกให้อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดไม่อยากให้ร่างกายนี้ตาย ก็เลยเกิดความกลัวตายขึ้นมาภายในใจแต่ถ้าได้พิจารณาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเ น, นื่องทุกลมหายใจเข้าออกจนความมืดบอดคืบหรือความหลงนี้ไม่มีโอกาสที่จะทำงานได้เลยไม่มีโอกาสที่จะหลอกเราว่าเป็นตัวเราของเราว่าจะอยู่ไปนานได้แล้วเราก็จะ <c oughs> หายหลงทันที ทุกขณะนี้ใจของเราถูกความหลงหลอกสอนอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกเลยว่าน่่งกายนี้เป็นตัวเราของเราร่างกายต้องอยู่กับเราไปนานๆ ถ, ถ้าเราไม่กําจัดความคิดอันนี้ด้วยการเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาอยู่อย่างเนืองๆ อ, อย่างต่อเ น, นื่องทุกลมหายใจเข้าออกว่า ต้องตายแน่แน่ไม่ใช่ตัวเราของเราพอเราทำได้แล้วความหลงก็จะหายไปจากใจเราจะมีแต่ความจริงก็คือธรรมะที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนี่เองดวงตาเห็นธรรมนี้ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขา พเพรขาเป็นเพียงดินน้าหลนไสแต่ใจจะไม่ทุกไปกับเขาแล้วพอหายหลงแล้วเมื่อก่อนนี้หลงพอหลงแล้วก็จะทุกพอคิดถึงความแก่ก็ทุกแล้วคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกแล้วคิดถึงความตายแล้วก็ทุกยังไม่ได้เจอความแก่ความเจ็บความตายเลยเพียงแต่คิดเท่านั้นก็กลัวแล้วจึงทําให้สารโลก ไม่กล้าคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายกันจนติดเป็นนิสัยหรือความเชื่อว่าคิดเรื่องแแเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแล้วเป็นอัปมงคลเป็นเหมือนกับจะสาดแช่งตัวเองให้ตายไปอย่างนั้นแต่ความจริงความคิดของเรานี้ไปทำให้มันแก่หรือไม่แก่ไม่ได้ไปทำให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ จะทำให้มันตายหรือไม่ตายไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองแต่การได้คิดอยู่เรื่อยๆนี้จะทำให้ใจหายหลงจะได้ปล่อยวางได้จะได้ไม่ยึดติดจะได้ไม่กลัวกับความแก่ความเจ็บความตายเพอะเรารู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่น เรากลัวไม่ว่าคนอื่นเขาจะตายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะแกะ่เราไม่กลัวหรอกเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ทำไมร่างกายที่เรามีคอบครองอยู่นี้เราทำไมถึงต้องกลัวมันด้วยกลัวมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญานั่นเองเราไม่ศึกษาเพื่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนั่นเอง การที่จะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องนี้ใจของเราต้องมีความสงบก่อนเพราะว่าถ้าใจไม่สงบนี้กิเลสจะมีกําลังมากความหลงจะมีกําลังมากทุกครั้งที่เราพิจารณาจะพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายกิเลสมันก็จะออกมาต่อต้านด้วยวิธีต่างๆทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันทีนเพียงแต่คิดว่าจะตายท่าเนี่ย ก็หมดกำลังใจที่จะทำอะไรละไม่กล้าที่จะคิดถึงมันเลยคำว่าตายนี่เป็นคำเหมือนกับว่าเป็นคำคำที่อันตรายยิ่งกว่าระเบิดที่พอคิดถึงคำว่าตายเพียงคำเดียวนี้ใจก็สั่นไปหมดแล้วนี่คืออำนาจของกิเลสมันทำให้ใจของเราสัน่นเพราะเราไม่ได้ไปตัดกำลังมันนั่นเอง เราไม่ได้ไปฉีดยาสลบเวลาหมอจะทําการผ่าตัดคนไข้นี้หมอต้องฉีดยาสลบ ก, ก่อต้องดมยาสลบ ก, ก่อนไม่เช่นนั้นคนไข้จะดิ้นเวลาถูกมีดผ่าแต่ถ้าคนไข้ได้รับการได้รับการดมยาสลบหรือฉีดยาชาเวลาผ่าคนไข้จะไม่รู้สึกอะไรคนไข้ก็จะนอนนิ่งๆเฉยๆได้ หมอก็สามารถผ่าตัดรักษาร่างกายได้ฉันใดการที่เราจะพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้โดยที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีอะไรมาสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับเราเราต้องฉีดยาสลบให้กับกิลเลสก่อนการทำใจให้สงบการทำใจให้เป็นสมาธินี่แหละ คือการฉีดยาสลบให้กับกิเลสว่าขณะที่จิตสงบนี้กิเลสจะทำงานไม่ได้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจะหยุดทำงานทันทีเพราะกิเลสนั้นต้องอาศัยความคิดของจิตเป็นเครื่องมือความคิดนี้ก็เป็นเหมือนกับรถยนต์คนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ต้องอาศัยรถยนต์ที่วิ่งไป วิ่งได้ขับไปไหนมาไหนตามคำสั่งได้แต่ถ้าเกิดรถยนต์เสียหรือรถยนต์หยุดไม่มีกุญแจที่จะสตาร์ทรถยนต์คนขับที่นั่งอยู่ในรถก็ไม่สามารถไปไหนได้เพราะไม่สามารถขับรถไปตามที่ตนเองอยากจะไปได้กิเลสก็เป็นเช่นเดียวกันกิเลสใช้ความคิดของเรานี้แหละเป็นเป็นเครื่องมือ ใช้ให้เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราใช้ให้เราคิดว่าอยากจะอยู่ไปนานๆไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่พอเราทำจิตให้สงบไม่มีความคิดปุงแต่งลังับความคิดปรุงแต่งตอนนั้นกิเลสก็จะหยุดคิดตามไปด้วยไม่สามารถคิดได้ตอนนั้นก็เป็นเวลาที่เราควรที่ปล่อยให้จิตสงบให้นานที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เรากำลังให้ยาสลบอย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรขณะที่จิตสงบไม่คิดถูกแต่งปล่อยให้นิ่งให้สงบไปนานๆเพราะเรากำลังดมยาสลบให้กับกิเลสนั่นเองรอให้ให้ให้เสร็จก่อนพอจิตเริ่มถอนออกมาจากความสงบเริ่มมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วตอนนี้เราก็ต้องดึงความคิดนี้มาคิดใน ทางธรรมะคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคิดว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำนมไฟมีอาการสาสสองคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆขณะที่เราออกมาจากสมาธิใหม่ๆนี้กิเลสยังไม่มีกำลังเหมือนคนที่ออกจากห้องผ่าตัดใหม่ๆ ยังไม่มีกําลังต่อต้านตอนนั้นเราจะพิจารณาเรื่องความตายเรื่องความแก่ได้อย่างสบายจะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวหรือรู้สึกไม่ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเลยเพราะกิเลสยังไม่มีกําลังที่จะสร้างความไม่สบายใจนี้ขึ้นมานั่นเองแต่หลังจากที่เราพิจารณาไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเมื่อเราเกิดความรู้สึกเริ่มไม่สบายใจขึ้นมาแล้ว เริ่มอยากจะคิดเรื่องอื่นแล้วสแสดงว่ากิเลสเริ่มออกมาทำ ง, งานแล้วกิเลสจะไม่ชอบให้เราคิดถึงเรื่องธาตุสี่ดินน้ำล ม, มไฟเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสอยากจะให้เราคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสุขทางตาหูจมูกวินไก่พอกิเลสเริ่มออกมาทำ ง, งานแล้วการพิจารณาของเราก็จะเริ่มไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอนนั้นเราก็ควรจะหยุดพิจารณาแล้วกลับมาทำสมาธิใหม่กลับมานั่งทําจิตให้สงบฉิดยาสลบดมยาสลบให้กับกิเลสใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อจิตถอนออกมาแล้วเราก็ค่อยกลับมาพิจารณามาอีกนี่คือแนวทางของการปฏิบัติระหว่างสมาธิและปัญญาเพื่อจะได้เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้น เกิดดวงตาเห็นธรมบรรลุธรรมขึ้นมาต้องทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องสลับกันไประหว่างสมาธิและปัญญาเมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปปัญญาของเราจะคิดแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องดินน้ำเรื่องไฟเรื่องว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่เสมอพอมีอะไรมากระทบกับร่างกายใจของเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยจะปล่อยวางได้ ถ้าเราอยากจะพิสูจน์เราก็ไปพิสูจน์ได้เลยไปอยู่ตามที่น่ากลัวต่างๆไปอยู่ป่าชา้าไปอยู่ตามป่าตามเขาที่มีสัตว์ชนิดต่างๆที่อาจจะมาทําลายทํำลายร่างกายของเราได้เราไปพิสูจน์ดูว่าเราปล่อยได้หรือไม่ปัญญาเราจะเร็วกว่ากิเลสหรือไม่ถ้าปัญญาเร็วกวากิเลสจะไม่มีความกลัว ถ้ายังช้ากว่ากิเลสความกลัวจะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือสาเหตุที่นักปฏิบัติทั้งหลายต้องออกไปอยู่ในที่น่ากลัวเพราะอยู่ในที่ปลอดภัยอย่างที่เราดั้งอยู่ตรงนี้มันยังไม่รู้ว่ากลัวจริงหรือไม่กลัวจริงหายกลัวจริงหรือไม่หายกลัวจริงมันอยอาจจะหลอกเราอาจจะหลอกตัวเราเองได้ว่าไม่กลัวแล้วไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บ ไม่กลัวความตายแล้วแต่ยังไม่ได้ออกสนามลบยังไม่ได้เข้าห้องสอบเหมือนมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณหญิงคุณนายคนหนึ่งไปฟังเทศหลวงปู่หลวงตาเทศจนกระทั่งแกรู้สึกว่าไม่มีความโกรธเหลืออยู่ในใจเลยก็เลยกลาบเล่าให้หลวงปู่หลวงตาฟังว่าหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากหลวงตาแล้วตอนนี้ไม่มีความโกรธเลย หลองปู่ ก, ก็หลงตา ก, ก็ตอบว่าอีตอแหลพอพูดเท่านั้นใจก็โกรธขึ้นมาทันทีนั่นเพราะว่ายัางไม่ได้ทดสอบเทียงแต่พิจารณาตามเท่านั้นเองคิดว่าไม่มีความโกรธแล้วแต่ยังไม่ได้เจอของจริงนั่นเองเจอของจริงใครตบหน้าเราแล้วเรายังจะอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าเรายังยิ้มให้เขาได้หรือเปล่าเราให้อภัยเขาได้หรือเปล่า อันนี้ต่างหากก็คือข้อสอบของพวกเราตอนต้นเราก็ศึกษาไปก่อนแล้วซ้อมไปก่อนเหมือนทําการบ้านหรือเหมือนทหารที่ฝึกซ้อมก่อนที่จะออกสนามรบการฝึกซ้อมกับการออกสนามรบนี้มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันกระซ้อมนี้เขาใช้กระสุนปลอมแต่เวออกรบจริงๆนี่ก็ใช้กระสุนจริงนะ เวลาโดนเจ็บเวลาโดนยิงก็เจ็บจริงๆตายจริงๆฉันใดผู้ที่จะต้องการพิสูจน์ว่าหลุดพ้นจากความกลัวความตายแล้วหรื อ, อยังก็ต้องออกไปสู่สนามลบไปพิสูจน์ดูทุกคนอ่ะเมื่อปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วทุกคนจะต้องอยากจะออกไปทางนั้นเพราะว่าต้องการที่จะทําลายความกลัวตายนี้เอง ว่าความกลัวตายนี้มันอันตรายมากกว่าความตายความตายนี้มันไม่อันตรายความตายนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนกับเด็กอายุไม่กี่วันเขาก็ตายได้แต่ความกลัวนี้เป็นตัวที่อันตรายเพราะจะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้อยู่ตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ก่อนมาจนถึงมันตายความกลัวนี้มันคอยกัดกร่อนจิตใจของเรา คอยเหยียบย่ำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เราไม่สามารถทำความดีได้ทำให้เราไม่สามารถละบาปได้เพราะความตัวตายอยันนี้คนเราที่ต้องฆ่าผู้อื่นก็เพราะยังกลัวตายกลัวเขาจะมาฆ่าเราหรือกลัวอดตายคนที่กลัวอดตายก็ต้องไปยิงนอกตกปลาหาอาหารมารับประทานหรือไปทำอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพราะกลัวว่าจะอดตายจะไม่มีอาหารรับประทานแต่คนที่ไม่กลัวตายแล้วนี้จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะเขารู้ว่าไม่คุ้มค่ากับกับการทำไม่ทาบาปนั่นเองเวลาทำบาปแล้วใจจะทุกข์ทรมานใจความกลัวก็ยังอยู่กับใจไปต่อไปแต่ถ้ายอมตายปับ๊บความกลัวนี้จะหายไป ความทุกข์ในใจจะหายไปก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมนี่แหละคือจิตของพระอริยเจ้าขั้นแรกก็คือพระโสดาบันหลังจากที่ท่านปฏิบัติพิารณาร่างกายและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วท่านก็จะเห็นว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดา ความเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดจากความหิวข้าวนี้มันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับไปเองได้ไม่จำเป็นจะต้องไปฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะเอ า, เ อ, าอาหารมามารับประทานเพื่อดับความหิวนี้ความหิวนี้ปล่อยมันหิวไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองได้มันเกิดขึ้นมาเองได้มันก็ดับไปเองได้ร่างกายนี้มันเกิดขึ้นมามันก็ต้องตายเป็นธรรมดานี่คือการพิจารณาด้วยปัญญา จนเห็นชัดแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่ไปทําบาปโดยเด็ดขาดแล้วก็จะไม่ไปไปทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อที่จะมาทําลายความความความทุกข์ใจเพราะรู้ว่าพิธีกรรมต่างๆนี้ทําลายไม่ได้ความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากความหลง เกิดจากความกลัวตายเท่านั้นเองเมื่อเราไม่เรายอมรับความตายแล้วเรายอมรับความเจ็บแล้วเรายอมรับความสูญเสียต่างๆแล้วความทุกข์ใจต่างๆก็จะหายไปก็ไม่ก็ไม่จาเป็นจะต้องไปทำพิธีกรรมต่างๆทำพิธีกรรมที่ใจของเราด้วยการปฏิบัติด้วยการปล่อยวางด้วยการยอมรับความจริงพระโสดาบันท่านถึงละ สัญโัญญาสามตัวได้คือสักกยทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายหรือความเจ็บนี้เป็นตัวเราของเราท่านจะเห็นว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดท่านก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเห็นอยู่ในใจของท่านแนละ้วว่าพระพุทธก็คือพระธรรมที่ปรากฏในใจนี้เอง และพระสงฆ์ก็คือผู้ที่กําลังเห็นพระพุทธเห็นพระธรรมนี้เองก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่นี่คือแล้วก็จะรู้ว่าความสุขความทุกข์ของเรานี้อยู่ที่ใจของเราเกิดจากความหโงหรือ จ, อจากความฉลาดถ้ามีปณิธรมะใจก็จะมีแต่ความสุข ถ้าใจมีความหลงใจก็จะมีแต่ความทุกข์นี่คือวิธีแก้ปัญหาต่างๆไม่ใช่ไปสะดะเคราะห์ไปทำพิธีกรรมต่างๆที่เรียกว่าสีลับพตะปารม่านนี่คือสังโยชนสาประการที่ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิและปัญญาได้อย่างต่อเนื่องจะได้พบและจะสามารถกำจัดสีลับ ปัตตาบาลาาตได้กำจัดวิจิตกิจฉาความสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่และสักกายะทิฐิความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราความเจ็บนี้เป็นตัวเราของเราถ้ามีปัญญาแล้วจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินน้ำลมไฟเป็นของธรรมชาติใจเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้น ใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเห็นอย่างนี้แล้วก็จะรู้จักแนวทางแห่งการดำเนินเพื่อที่จะดับทุกที่ยังมีเหลืออยู่ภายในใจที่ยังมีอยู่อีกหลายขั้นด้วยกันต่อไปได้จากขั้นโสดาก็จะคือขั้นสุขขั้นสกิดาคามีขั้นสูุ พระ อ, อนาคามีแล้วก็ขั้นพออระอรหันต์ตามลำดับต่อไปตอนนี้ไม่ต้องมีใครมาสอนแล้วพอรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ความหลงและสิ่งที่จะมาแก้วความหลงได้ก็คือปัญญาคือการพิจารณาทำทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าเห็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ใจมาสัมผัสรับรู้ว่า เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะปล่อยวางปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเคยหลงยึดติดอยู่เพราะถ้ายังหลงยึดติดอยู่ก็ยังจะมีความทุกข์อยู่ถึงแม้จะเป็นความทุกข์ที่ละเอียดมันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่เช่นเดียวกันนี่คือแนวทางของการสร้างสาระที่พึ่งให้แก่ใจ ต้องสร้างด้วยการศึกษาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ก่อนแล้วก็นำเอามาปฏิบัติกับเราศึกษาชีวประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาชีวประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเพื่อเราจะได้มีแนวทางการดาเนิน พอเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าท่านสอนให้เราทำทานรักษาศีลภาวนาเราก็มาทำกันอย่างวันนี้เรามาทำทานมารักษาศีลแล้วมาภาวนาทําใจให้สงบเป็นสมาธิออกจากความสงบก็มาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นธรรมดาว่าว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา พิจารณาไปสลบับกับการนั่งสมาธิจนในที่สุดก็จะปรากฏเป็นดวงทา ย, ทายเห็นธรรมขึ้นมารู้อยู่ในใจว่า อ, อ๋อนี่เรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนี่คือผลที่เราจะได้รับนี่คือสาระที่ที่แท้จริง ที่พวกเราต้องสร้างกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้างสารณะนี้ให้แก่เราไม่ได้ท่านสอนเราว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนดังนั้นอย่าไปาสับสนไปคิดว่าแล้วแล้วสโลนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสารณะอย่างไรถ้าเรายัางต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถอยู่คือเป็นสารณะคนละแบบกัน สาระคือถ้าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกก็เป็นเครื่องเตือนสติให้เราศึกษาให้เราปฏิบัตินั่นเองแต่สาระที่เราต้องการต้องเกิดจากการปฏิบัติของเราเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราบรรลุธรรมแล้วเราก็จะได้สาระที่แท้จริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเรานี้นี่คือที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ในใจของเรา และเกิดจากการศึกษาและปฏิบัติตามสาระที่พึ่งภายนอกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างที่พึ่งแก่ใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทั้งมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุพภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ